สักครู่เราได้สวดบทพิเศษที่เกี่ยวกับประโยชน์หรืออนิสง์ของเทวทูตหลายคนสวดหรือสาธยายไปแล้วอาจจะยังสงสัยว่าเทวทูตคืออะไรบางคนอาจจะนึกหมายถึงเทวดาที่ปรากฏมาเป็นนิมิตต่อหน้าต่อตาหรือในความฝันมาบอกว่า จะอยู่ได้อีกกี่ปีหรือว่ามาบอกว่าวันตายคือวันไหนนะอันนั้นไม่ใช่เทวทูตนะเทวทูตนี้มันสามันกว่านั้นนะเทวทูตนะที่เราคุ้นเคยนะก็คือคนแก่คนเจ็บคนตายนะซึ่งปรากฏให้กับเจ้าชายสิทธัตถะตอนที่ ออกมาจากวังนะเราคงจำได้เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายนั่นแหละคือเทวทูตเรียกว่าเทวทูตสส่วนนักบวชที่เจ้าชายสิทธัตถะเห็นนั่นไม่เรียกว่าเทวทูตนะเรียกว่านิมิตนะเทวทูตสมนิมิตสีนะเทวทูตนี่มันธรรมดามากเลยคนแก่คนเจ็บคนตายทำไมถึงเรียกว่าเทวทูตนะ ก็เพราะว่าเข้ามาเตือนมาบอกหรือเป็นสัญญาณให้ตระหนักถึงความไม่จีรังของชีวิตเทวทูตนี่มีมากกว่านั้นก็ได้นะเทวทูต5ก็มีนะก็มีพระสูตรหนึ่งพูดถึงว่าคนชั่วที่ได้ตายไปแล้วเนี่ยก็ไปเจอยมพบาลก็ถามว่าเนี่ยเคยเจอเทวทูตไหม คนชั่วนะก็บอกว่าไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรเดี๋ยวมาบาลก็เลยถามว่าเคยเห็นคนเกิดไหมเคยนั่นแหละเทวทูตเคยเห็นคนแก่ไหมเคยนั่นแหละเทวทูตเคยเห็นคนเจ็บไหมนั่นแหละคือเทวทูตเคยเห็นคนที่ทําชั่วแล้วติดคุกไหมนั่นแหละคือเทวทูต เคยเห็นคนตายไหมนะนั่นแหละคือเทวทูตเราโยมบาบาก็บอกว่าเนี่ยเจ้าไม่เคยนึกนึกเลยหรือว่าสักวันนึงจะต้องแก่ต้องเจ็บทําชั่วแล้วก็ต้องติดคุกถูกลงโทษแล้วก็สักวันหนึ่งต้องตายแล้วยังทําความชั่วอีกนะไม่เคยสำเนียดไม่เคยสํานึกเลยนะว่าสักวันนึงต้องแก่ต้องเจ็บต้องติดคุก ถูกลงโทษหรือว่าต้องตายเมื่อไม่สำเหนวเช่นนี้ก็จะต้องถูกลงโทษให้หนักขึ้นในนรกนะอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอุปมาอุปไม้นะนรกจริงๆอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าที่โยมพบาลพูดเนี่ยนะก็น่าสนใจตรงเที่เทวทูตเนี่ยแม้กระทั่งเด็กที่เกิดมาก็เป็นเทวทูตได้รวมถึงคนที่ติดคุก เพราะคำความชั่วหรือถูกลงโทษนะเพราะทําบาปกรรมเอาไว้เธอทูตจึงปรากฏให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เฉลียวใจไม่สำเนียกเนี่ยก็นับว่าขาดโอกาสนะเพราะทําให้เราประมาททาให้เราไม่ ขวนขวายในการทำความดีหรือว่าเจริญภาวนาพระเจ้าเจ้าเคยตรัสถึงคนสีประเภทโดยเปรียบกับม้าสี่ชนิดนะม้าที่ใช้ลากรถนะนะม้าประเภทแรกเนี่ยขณะที่ขับขี่ไปเพียงแค่สารถีเนี่ย ยกประตักขึ้นมาประตักนี่ก็คือไม้แหลมแหลมนะที่เขาไว้ทิ่มมาทิ่มวัวทิ่มควายถ้าเป็นช้างก็ใช้ตะขอในสมัยนี้เราไม่เห็นแล้วประตักแต่สมัยก่อนนี้ใช้ประตักกันเราต่อประตักเนี่ยคือประตักนี่แหละมาเนี่ยมันเพียแค่เห็นเงาประตักบนพื้นเนี่ยมันก็รู้แล้วว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา มาปรปเพศที่สองเนี่ยมันต้องโดนประตักทิ่มถึงขุมขนนะก็ถึ ง, งนะจะรู้ว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาประเพทที่สามเนี่ยต้องโดนประตักทิ่มนะไปถึงหนังถึงเนื้อมันถึงจะรู้ว่าจะต้องเลี้ย Peru, วซ้ายเลี้ยวขวาเอวเพศนึงต้องโดนประตักทิ่มไปถึงเนี่ยเกือบไปถึงกระดูกเลยนะทิ่มเข้าไปในเนื้อหนักลึกๆมันถึงจะรู้ เมืเปลี่ยนเป็นคนสีประเภทอย่างไรนะประเภทแรกเนี่ยเพียงแค่ได้ยินว่ามีคนตายนะก็เกิดความขนขวายเกิดความสังเวชนะเข้าหาธรรมะขนขวายปฏิบัติธรมรมพอรู้ว่าสักวันหนึ่งตัวเองก็จะต้องตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องไม่ปล่อยให้โอกาสผ่านเลยไป บทเภทที่สองเนี่ยนะต้องเห็นคนตายาแค่ได้ยินไม่พอต้องเห็นคนตายเห็นคนตายก็ตกใจโอเกิดความตื่นตัวขึ้นมาปฏิบัติธรรมละชั่วทำความดีเจริญภาวนาบทเภทที่สามเนี่ยนะต้องให้คนที่รู้จัก เพื่อนฝูงพี่น้องพ่อแม่ตายถึงเกิดความสังเวชเกิดความตื่นตัวที่จะเร่งรีบปฏิบัติธรรมประเภทที่สีนี่หนักกว่านั้นนะคือต้องให้ความตายมาประชิด ต, ตัวนะเช่นเจ็บป่วยนะหรือว่าประสบบัติเหตุใกล้ตายเนี่ยถึงจะตื่นตัว ประเภทนี้นี่ภาษาจริงเขาเรียกว่าไม่เห็นโลงไม่หลังน้ําตาไม่เห็นโลงไม่หลังน้ําตาคือไม่สํานึกจนกว่าจะเห็นความตายนี่มาประชิดตัวแล้วอันที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยก็เป็นเทวทูตนะได้ยินว่ามีคนตายหรือว่าเห็นคนตายต่อนหน้าหรือว่ามีคนรักมีคนรู้จักตายนะอันเนี้ยเรียกว่าเทวทูตละ ส่วนประเภทว่าตัวเองใกล้ตายเนี่ยอันนี้ไม่เรียกว่าเทวทูต น, นะอันนี้เรียกว่าเป็นคนที่ประมาทมากเพราะว่าขนาดที่ได้ยินว่ามีคนตายรับรู้ว่าคนที่รู้จักตายก็ยังไม่ตื่นตัวเราถามตัวเราเองว่าเราเนี่ยจัดอยู่ในคนประเภทไหนประเภทที่1 2ึสามหรือ4ี่ที่จริงแล้วเนี่ยไม่ต้องรอให้ได้ยินว่ามีคนตายแล้วนะ แค่เห็นคนเจ็บนะคนป่วยหรือคนแก่เนี่ย้คนฉลาดเนี่ยเขาก็เกิดความตื่นตัวขึ้นมาลวเกิดความสำเนียขึ้นมาว่าอ๊ยไม่ได้แล้วนะวันนี้เรายังมีกำลังวังชาอยู่แต่ไม่นานนะเราก็ต้องแก่ไม่นานเราก็ต้องเจ็บถึงตอนนั้นเราจะทำยังไรไอ้เงินทองที่สะสมมามันช่วยได้ไหมนะ มันก็จะช่วยได้บ้างแต่ว่ามันต้องอาศัยจิตใจที่ฝึกไว้ด้วยนะเพราะถ้าจิตใจไม่ได้ฝึกเอาไว้นะเจ็บป่วยนี่มันก็ทุกทรมานะทั้งกายทั้งใจความแก่ก็เหมือนกันนะเมื่อเราเห็นคนแก่นะก็ควรระลึกว่าเออสักวั น, นเราต้องแก่เราพิจารณาคนแก่ว่าเขา ปวดโน่นปวด น, น, วดนี่ขยับขยื่นก็ลำบากกำลังวังชาก็ไม่มากก็อาจทำให้ได้คิดว่าเอ อ, เ อ, อทำมาเนี่ยเราต้องเร่งปฏิบัตินะจะไปคิดว่าเข้าวัดตอนแก่ก็แล้วกันหรือว่าแกแล้วค่อยไปปฏิบัติทำก็แล้วกันมีคนพูดแบบนี้เยอะมีคนคิดแบบนี้เยอะอันนั้นก็อาจจะประมาทมากก็ได้เพราะว่าถึงเวลาแกแล้วก็ ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเข้าวัดหรือว่าจะขยี้ขยับก็ไม่สะดวกแต่ปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้เต็มที่แล้วยิ่งกว่านั้นคือว่าอาจจะไม่ได้แก่ก็ได้นะอาจจะไม่ได้แก่เพราะตายก่อนชการที่ได้เห็นคนตายเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ยังคนที่ตายแค่ที่ยังเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยก็เป็นเทวดทูตอย่างดีเลยนะที่เตือนให้เราได้ตระหนักว่าเนี่ย อย่าประมาทอย่าปล่อยให้เวลาผ่านเลยไปแต่ว่าต้องพูดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้ตระหนักตรงนี้เห็นเทวทูตมาปรากฏครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่รู้สึกหรือว่าไม่เกิดความตื่นตัวจนกระทั่งเกิดกับตัวเองพอเกิดกับตัวแล้วเกิดคนใกล้ชิดตอนนี้เริ่มตระหนักแล้วส่วนใหญ่จะคล้ายๆกับคนส่วนใหญ่จะเป็นคนประเภทที่สาม นะคือว่าพอคนรับคนใกล้ตัวตายเนี่ยก็ถึงค่อยตื่นตัวแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นส่วนใหญ่หรือเปล่านะเพราะว่ า, าส่วนใหญ่จะเป็นประเภทที่4ก็ได้นะคือว่าต้องเจอความตายมาประชิด ต, ตัวเนี่ยถึงค่อยมาสนใจเช่นพอรู้ว่าเป็นมะเร็งนะพอรู้ว่าเป็นโรคหัวใจเบาหวานไตาวา ย, ยอันนี้ค่อย เยเ่อนขยับมาปฏิบัติธรรมมาเข้าวัดจะปล่อยถ้าเทวทูตมาปรากฏแล้วเราไม่ไม่เปิดใจรับสัญญาณไม่รับข่าวสารจากเทวทูตก็ จ, จะได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดนะเมื่อ 2-3 สาวันที่ผ่านมาก็ได้ไปอบรมนะเรื่องเผชิญความตายอย่างสงบ ก็มีช่วงหนึ่งนะได้เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมอบรมเขาได้พูดถึงความในใจโดยเฉพาะสิ่งที่มันเป็นความรู้สึกผิดติดค้างใจที่ให้พูดเพื่อว่าจะได้ก็เพื่อจะได้จัดการกับความรู้สึกผิดเหล่านั้นนะเพราะถ้ามันเก็บไว้ในใจมันก็จะคอยทิ่มแทงแล้วก็ทาให้อาจจะเป็นทุกข์ได้แม้กระทั่งในเวลาใกล้ตาย คนบางคนเนี่ยไอ้ตอนที่ปกติธรรมดาก็ไม่มีอะไรนะแต่พอใกล้ตายเนี่ยมันจะเกิดความสำนึกผิดขึ้นมาหรือว่าเกิดความระลึกถึงการกระทําผิดพลาดในอดีตซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าพอนึกถึงแล้วเนี่ยก็ทำให้จิตใจเศร้าหมองอย่างนำเาริกาเทวีเป็นมาเหสีพระเจ้าประสริทธิโกศลสน ก็เป็นอุบาสิกาที่ดีนะายธรรมะชวนให้พระเจ้าปรเสนิโกศลได้รู้จักธรรมะรู้จักการทําบุญที่ถูกต้องแต่ว่าอายุสั้นนะตอนจะตายเนี่ยแทนที่จะนึกถึงบุญกุศลที่ได้ทํานึกถึงพระรัตนตรยัยกลับไปนึกถึงเหตุการณ์เล็กๆ ก, ก็คือไปโกหกพระเจ้าเปเสนิโกศลเรื่องที่ตัวเองไปทำอะไรไม่ดีกับสุนัข พระเจ้าปรสเต์ที่โกศลก็เห็นแบบแบ บ, แ บ, บนางมาริกาก็พูดให้พระเจ้าเประเซนต์ที่โกศลเข้าใจว่าเนี่ยนะมองผ้ามองเรือนไปเองพระเจ้าปรสเซนต์ที่โกศลก็เชื่อเพราะรักนางมริกาเทวีมากแต่พอจะตายเนี่ยนะนางมริกาเทวีก็นึกถึงเหตุการณ์นี้แหละว่าไปทำมุสาวา กับพระเจ้าเปรตที่โกรสนจิตใจก็เศร้าหมองรู้สึกผิดแล้วก็ลบความรู้สึกผิดนี้ไม่ได้พอก็เป็นจิตมันก็หน่วงอยู่ในอารมณ์นั้นเป็นจิตสุดท้ายปอกว่าตายก็ไปอบายเลยไปนรกเลยแต่ว่าอยู่ได้แค่7วันนะเพราะว่าไม่ได้ทำกรรมอุกฤษอะไรมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบุญที่ได้ทำไว้ก็มีเยอะก็หนุนส่งให้ไปเกิดในสวรรค์ แต่บางคนนี่ก็มีอาการกระสับกระส่ายก่อนตายได้ซ้ำนะเพราะรู้สึกผิดนะอาจจะทิ้งเมียทิ้งลูกนะตั้งแต่เมื่อห้าสิปีที่แล้วนะมีลายหนึ่งนะอาจารย์คัเชิตเคยเล่าโยมป่วยหนักก็มาขอตายที่บ้านแต่ไม่ยอมตายสักทีท่านก็สงสัย ก็ไปสนทนาด้วยสนทนาด้วยก็ทำไม่ร่วนเนี่ยคุณปู่คนนี้นี่แกมีปมปัญหาในใจคงมีความรู้สึกผิดบางอย่างทำให้ไม่ยอมตายสักทีท่านกัเชิคกันเลยพูดว่าเนี่ยปู่มีอะไรไม่สบายใจก็บอกนะขอให้ไว้ใจอาตมานะถ้าอาตมาช่วยได้ก็จะช่วย แล้วปู่ก็เล่วเาว่าเนี่ยเมื่อห0สปีที่แล้วเนี่ยเคยไปรักผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็แต่งงานกันแต่พอเธอท้องได้3มเดือนก็ทิ้งเข้าไปแล้วก็ไม่เคยกลับไปอีกเลยตอนนี้อยากจะรู้ว่าสองคนนั้นเป็นอย่างไรก็คือเมียเก่าแล้วก็ลูกชายาไม่รู้ว่าลูกชายหรือเปล่านันตายไม่ได้จนกว่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เรื่องแกก็ไม่เคยเล่าเลยลูกชายที่ดูแลแกจาซึ่งเป็นลูกคนที่2เมียคนที่2องคที่3าก็เพิ่งได้รู้จักปากแกเป็นครั้งแรกก็เลยต้องไปตามหาว่าเนี่ยเออเมียเก่ากับลูกเป็นอย่างไรปรากฏว่าตายแล้วทั้งคู่เลยเมียก็แก่ตายลูกก็เป็นติดเชื้อเอชไอเป็นเอจตายไม่มีใครกล้ามาบอกพ่อว่าเกิดอะไรขึ้นกับ2คนนั้น ก็ให้อาจารย์กาชชิตมาบอกว่าอาจารย์กัชิตบอกนี่ไม่ทันเลยบอกไม่ทันจบประโยชน์เลยแกก็หันหลังแล้วก็ร้องไห้เสียใจเรื่องมัเกิดมา50ปีแล้วนะมันเป็นความรู้สึกผิดนะไอตอนที่ยังเป็นหนุ่มตอนที่ยังอายุ40 50 60 70อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรเพอคิดว่ามนันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าพอจะตายเนี่ยไอความรู้สึกผิดนี่มันก็ โผลมาแล้วก็ทิมแทงจิตใจตายไม่ได้จะก็ดีนะที่ได้ใจคันที่ช่วยไว้นะท่านก็บอกว่าเนี่ยจะไปเสียใจทําไมเขาก็ตายไปแล้วทําไมไม่ทําบุญอุทิศให้เขาละ่ะพอพูดถึงเรื่องบุญอุทิศให้เขาก็หันกลับมาเลยบอกว่าทําได้เหรอนะทำได้สิก็เลยทำกันเป็นการใหญ่ก็ทําบุญเสร็จแกก็ไปวันนี้ไปสงบลนะอันนี้เป็นเรื่องความรู้สึกผิดนะซึ่ง ถ้ามาติดค้างใจแล้วเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันจะหายง่ายๆบางทีมันก็มามาผลอตอนจะตายและถึงตอนนั้นนี่ถ้าจัดการไม่เป็นเอาไม่อยู่มันก็พาไปอบายได้หรืออย่างน้อยก็ทําให้ทุรนทุรายกระสับกระส่ายทําให้ไม่ตายดีแล้วก็ได้เล่าว่าเนี่ยเออได้พูดถึงว่าเนี่ยได้มีการพูดคุยเรื่องความรู้สึกปิดติดข้างใจก็มีผู้หญิงคนหนึ่งกกเล่าให้ฟังนะ น่าสนใจแต่พูดไปกก็ก็ร้องไห้นะก็คือว่าหลังจากที่ก็ไปทำมาไปมีอาชีพนะแยกบ้านไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ต่อมาก็วันนึงก็มาเยี่ยมมาเยี่ยมแม่ก็นอนกับแม่ก็คงนอนอยู่กับแม่หลายวันนะคืนหนึ่ง ขณะที่นอนขณะที่เป็นตอนเย็นแม่ก็บอกว่าอยากกินอาหารเนี่ยช่วยทำให้หน่อยลูกสาวก็บอกว่าตอนนี้มันก็เย็นแล้วนะเอาไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อข้าวซื้อของไม่ได้ซื้ออะไรมาเลยเอาไว้พรุ่งนี้นะแม่ก็ไม่ว่าอะไรแต่รากว่าคืนนั้นเนี่ยประมาณสักตีหนึ่งเนี่ย แม่เกิดมีอาการหายใจไม่สะดวกนะแล้วก็อยู่ดีก็หัวใจหยุดเต้นไปเลยต้องรีพาส่งโรงพยาบาลคืนนั้นเลยแต่ก็อยู่ได้แค่สองวันก็เสียชีวิตเพราะว่าริมเข้าจ่ิมเลื่อนมาไปอุดไว้มันไปอุดตรงเส้นเลือดที่ปอดเนี่ยก็เป็นอันว่าไ ม, ไม่ไม่ได้ทำอาหารให้แม่กินแต่ก็เสียใจมากว่าเนี้ย รู้สึกผิดนะที่ว่าถ้าหากว่าเย็นวันนั้นเนี่ยแกลุกขึ้นไปทําอาหารก็คงจะไม่รู้สึกผิดติดข้างมาจนถึงทุกวันนี้นะก็สิบกว่าปีแล้วหลายคนก็มีก็เล่าเรื่องราวคล้ายๆกันก่อนหน้านี้ก็เคยมีนะมีคนหนึ่งก็เล่าให้ฟังว่ายายก็เลี้ยงแกมา เลี้ยงแทนแม่เลยแล้วก็ตอนหลังก็ไปทำงานต่างจังหวัดก็แยกแยกกับยายต่อมาก็ได้ข่าวว่ายายไม่สบายแล้วก็มาเยี่ยมแต่ว่ามันก็ไม่ทันถึงบ้านยายนะคืนนั้นก็ไปไปไปที่บ้านเพื่อนไปที่บ้านญาติซึ่งอยู่อยู่อยู่หัวซอยนะยายเนี่ยอยู่ในซอย แต่ว่าญาติเนี่ย ท, ที่สนิทกันเนี่ยมันอยู่ปากซอยก็เลยไปแวะตรงนั้นก่อนแล้วก็กินข้าวพูดคุยสนุกสนานแล้วก็เลยถือโอกาสนอนตรงนั้นเลยเพราะมันดึกคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปเยี่ยมยายก็แล้วกันปรากฏว่าไม่ได้เยี่ยมนะเพราะว่าตายยายแล้วก็ตายในในคืนนั้นเลยแกก็เสียใจมากว่าเนี่ยถ้าแกถ้าเพียงแต่แกเนี่ยมาถึง มาถึงที่แล้วเนี่ยน่าจะตรงเข้าไปหายายเลยไปเยี่ยมยายเลยนะไม่ควรจะชลาดใจนะนี่แกชลาดใจนะคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเยี่ยมยายก็ได้วันนี้เรานะกินข้าวบ้านญาติก่อนนะแล้วก็เฮฮาสนุกสนานไม่เฉลียวใจเลยนะว่าเหตุการณ์วันนั้นมันจะทาให้เกิดแผลในใจนะว่าทำให้ไม่ได้ดูไม่ได้ดูใจยายเป็นครั้งสุดท้าย มีเรื่องราวของหลายคนมากที่ไม่ ค, คล้ายๆกันอีกรายนึงก็ป้าเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กตอนหลังก็ไปเป็นพยาบาลก็เลยแยกนะห่างเหินจากป้าไปไปเรียนพยาบาลอีกจังหวัดหนึ่งแล้วก็ตอนหลังก็ไปเป็นพยาบาลในจังหวัดคนละจังหวัดกันแล้ววันหนึ่งป้าก็ไม่สบายก็เลยให้มารักษาในโรงพยาบาลที่เธอเป็นพยาบาลอยู่ แต่เธอเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาว่างไปเยี่ยมป้าเท่าไหร่ป้าอยู่ห้องไอซียูโรงพยาบาลเดียวกันนั่นแต่ไม่ค่อยมีเวลาเยี่ยมอาจจะมีเวลา น, นแต่ว่าก็อาจจะไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่แล้วก็สุดท้ายก็ตั้งใจว่าเนี่ยเสราร์อาทิตย์เนี่ยจะไปเยี่ยมป้าที่ห้องไอซแต่บังเอิญนะวันศุกร์นี่มีเพื่อนมาชวนไปเที่ยวพัทยาเธอเป็นคน เป็นคนราบบุรีนะไม่เคยเจอไม่เคยเจอไม่เคยเห็นทะเลนะไปเที่ยวพัทยาก็เออกันไปก่อนก็แล้วกันนะไปเย็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์กลับมาค่อยมาเยี่ยมยายก็แล้วกันเขาไม่เยี่ยมป้าก็แล้วกันเปลี่ยนแผนนะเดิมทีจะไปเยี่ยมป้าตั้งแต่วันเสาร์แล้วแต่ว่าเห็นแค่เที่ยวนะเพราะว่าไม่เคยไปเที่ยวพัทยาเลยก็ไปเที่ยวพัทยาสนุกสนานกลับมาเย็นวันอาทิตย์ ก็เดินตรงเข้าไปที่ห้อง ICU ียปรากฏว่าไปเจอเพื่อนกลางทางเพื่อนก็บอกว่าไม่ต้องไปแล้วป้าตายแล้วเมื่อเช้าวันอาทิตย์นั่เองเช้าวันนั้นนั่นเองแก เ, เสียใจมากผ่านมาสิปีแล้วก็ก็ยังไม่รู้สึกคลี่คลายนะความสึกผิดอันนี้สามเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันนะคือเป็นเรื่องการที่จะผัดผ่อนรีรอ จริงๆเนี่ยถ้าหากว่ารู้จักเราลึกถึงความตายหรือว่าพิจารณาว่าเทวทูตเนี่ยนะรับฟังข่าวสารจากเทวทูตอยู่เสมอเนี่ยจะไม่ประมาทจะไม่ลีลอนะเพราะว่าเรื่องราวของใครต่อใครเนี่ยมันก็รู้แล้วแต่บอกว่าความตายเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเวลาความตายนี่มันมาแบบไม่ทันตั้งตัว อันนี้ก็เป็นเทวทูตหนะ้าที่บอกเราอยู่บ่อยๆว่าความตายมันเกิดขึ้นในตลอดเวลาถ้าว่าฟังเทวทูตอยู่เสมอนะก็จะไม่มีเหตุการณ์อย่างที่ว่านะเพราะว่าแม่จะตายเมื่อไหร่ก็ได้ยายจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ป้าจะตายเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะทำอะไรก็ทำเลยหรือว่าถ้าแม่ขออะไรก็ทำเลยนะ ไม่มีรีรอไม่มีผัดผ่อนทั้งสามกรณีก็เป็นเรื่องคนที่ประมาทนะเจ้าตัวก็ยอมรับนะว่าประมาทนะไม่น่าเลยนะไม่น่าผัดผ่อนเลยนะถ้าหากว่าทำทันทีทำเดี๋ยวนั้นนะก็ไม่มีเรื่องติดค้างใจเรื่องที่เรามานี่เนะี่ยก็ถือว่าเป็นบทเรียนให้กับพวกเราได้เหมือนกันนะเป็นบทเรียนที่ดีมาก ที่เจอเห็นว่าถ้าหากว่าเราไม่สะดับฟังคำของเทวทูตเนี่ยก็อาจจะเกิดตราบาปนะหรือว่าเกิดแผลในจิตใจนะที่ทำให้เจ็บปวดแล้วก็ไม่สามารถจะคลี่คลายได้จริงๆเมื่อคลี่คลายได้นะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักวิธีก็พยายามที่จะเก็บเอาไว้ ไม่อยากบอกไม่อยากเล่าให้ใครฟังแล้วก็อยากจะลืมแต่มันก็ลืมไม่ได้อะไรที่เราตั้งใจลืมเนี่ยเราไม่เคยลืมได้สําเร็จเลยอะไรที่เราไม่ตั้งใจลืมเนี่ยมันดันลืมนะอันนี้มันเป็นธรรมดานะของจิตใจเราเลยอะไรที่อยากจะลืมเนี่ยนะมันไม่เคยลืมอะไรที่อยากจะอะไรที่ไม่ตั้งไม่อยากจะลืมเนี่ยมันดันลืมนะและความรู้สึกผิดเนี่ยก็เป็นอย่างหนึ่งที่คนเราตั้งใจอยากจะลืม แต่ว่าไม่เคยลืมได้สำเร็จแล้วที่รู้สึกผิดก็เพรา ะ, ราะอะไรก็เพราะว่าเผลอไปเพราะว่าประมาทนะเพราะว่าไม่ตระหนักถึงความจริงที่ว่าความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลามีภา ษ, ษิที่เบบอกว่าไม่มีใครรู้หรอกนะระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อน อย่าไปคิดว่ามีพรุ่งนี้ก่อนแล้วค่อยมีชาติหน้านะบางทีพ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยนะไม่มีพรุ่งนี้ถ้าเราระลึกอยู่เสมอนะว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเราหรือว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของคนที่เรารักจะเป็นแม่จะเป็นยายจะเป็นป้าหรือเพื่อนก็ตามถ้าเราระลึกอยู่เสมอเราก็คงจะ ไม่ผัดผ่อนไม่รีลอในการที่จะทำความดีกับเขาที่พู้เจ้าพูดถึงเรื่องม้าสี่ประเภทเนี่ยแล้วก็เพื่อกระตุ้นให้ตระหนักว่าการปฏิบัติทำมันต้องรีบทำทันทีอย่ารีลออนะเพราะว่าความตายจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ แต่นอกจากความตายจะเกิดขึ้นกับเราโดยที่ไม่บอกกล่าวแล้วกับคนที่เรารักก็เหมือนกันนะมันก็สามารถเกิด ข, ขึ้นเขาได้รวดเร็วแบบที่ตั้งตัวไม่ติดเหมือนกันเพราะฉะนั้นนอกจากการทำความดีเพื่อตัวเองหรือนอกจากการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เรามีจิตใจที่มีสติมีปัญญาคุ้มค่าการที่เกิดมา มีชีวิตเป็นมนุษย์ในโลกนี้แล้วเนี่ยให้การทําความดีกับคนที่เรารักนะคนที่มีบุญคุณกับเราหรือคนที่เรารู้สึกรักรู้สึกผูกพันนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญอีกเหมือนกันนะที่จะรอไม่ได้จะไม่ควรจะรีรอนะถ้าอยากทําอะไรดีๆให้กับคนที่เรารักหรือคนที่มีพวกคุณนี่ต้องรีบทําทันทีจะจะีจะ ร, รอจะผัดผ่อนนี่ก็เรียกว่าประมาท แล้วก็ถ้าเกิดว่าประมาทไปครั้งหนึ่งแล้วต่อไปมันก็ประมาอีกวันนี้ไม่เป็นไรวันพรุ่งนี้ก็เอาใหม่แล้วถึงจุดหนึ่งมันก็จะเจอแจ็คพอตนะเจอแจ็คพอตคือว่าไอความประมาทของเราเนี่ยมันก่อความเสียหายนะให้กับคนที่เราลักหรือว่าให้กับให้กับจิตใจของเรานะทําให้รู้สึกนะผิดติดค้างใจอาจจะเรียกว่าชั่วชีวิตเลยก็ได้เพราะนั่นเนี่ยเรื่องเทวทูตนะที่มาเตือนเราเนี่ยสําคัญมากเลยนะ ที่จริงเทวทูตเนี่ยมันมีให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาบนท้องถนนในวัดนี้หรือว่าจากข่าวสารต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังทางหนังสือพิมพ์ทางโทรทัศน์หรือเรื่องเล่าเนเรื่องที่พูดมาเนี่ยสามสี่เรื่องเนี่ยมันก็เป็นเทวทูตเตือนใจเราได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดว่า เราไม่ตั้งใจฟังหรือว่าเราฟังแล้วก็ผ่านเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแล้วก็นับว่านาเสียดาเพราะว่าบทเรียนของคนอื่นๆเนี่ยน่ยมันสามารถจะเตือนใจหรือเป็นอุทาหรณ์ให้กับเราได้เป็นอย่างดีคนหนึ่งก็ผิดพลาดไปแล้วแล้วเมื่อเราได้ยินได้รับทราบเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะผิดพลาดอย่างเขานะก็ควรถึงเอาเข้าเป็นครนะูในการเจริญมร้อนนสติเนี่ย ถ้าเราทําซ้ำอีกอีกชั้นหนึ่งด้วยยิ่งดีเข้าไปใหญ่นอกจากฟังเรื่องราวของใครต่อใครแล้วก็เจริญร้อนนสติพิจารณาถึงความตายตัวอยู่เสมอการเจริญร้อนนสตินะที่ถั่วคือวันหนึ่งพิจารณาถึงความจริงที่ว่าความตายเนี่ยเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่ไม่แน่นอนก็คือว่าไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ ให้ความไม่แน่นอนตรงนี้บางทีมันน่าวิตกกับความแน่นอนที่ว่าเราต้องตายนะเพราะว่าถ้าเราต้องตายแต่ตายในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยมันก็ยังโอเคพอไหวแต่ความตายนี่มันไม่แน่นอนเนก็หมายความว่าอาจจะตายพรุ่งนี้คืนนี้ก็ได้ให้ความไม่แน่นอนของความตายนี้มันจึงน่ากลัวกับความแน่นอนที่ว่าเราต้องตายกับทุกคนพิจารณามรณะสติก็ต้องพิจารณาแบบนี้ แต่แค่นี้ยังไม่พอต้องพิจารณาต่อไปว่าถ้าเกิดเราจะตายวันนี้วันพรุ่งเราพร้อมจะตายหรื อ, อยังเราทําความดีมาพอหรื อ, อยังหน้าที่ที่เราควรทําเราทําเสร็จสิ้นหรื อ, อยังไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ต่อครอบครัวต่อพ่อแม่ต่อลูกต่อคนรักผู้มีพระคุณนะต่อครูบาอาจารย์แล้วข้อต่อมาคือเราพร้อมจะปล่อยวางหรื อ, อยังเพราะถ้าเราตายนี่อะไรแล้วก็เอาไปไม่ได้สักอย่างถ้ายึดติดถือมั่นห่วงแหน อะไรอาวอนนะก็ตายไม่เป็นสุขเลเผอไปอบายหรือไปทุกคติด้วยจจริงนอกจากว่านอกจากพิจารณาถึงความตายของเราว่ามันสามารถเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาแล้วเนี่ยก็ต้องคิดถึงความตายของคนที่เรารักด้วยนะพ่อแม่ลูกคนรักก็ต้องตายเหมือนกันอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อาจจะตายวันนี้วันพรุ่งก็ได้ ต้องนึกไว้เสมอนะอย่าไปคิดว่าเป็นการแช่งจะ่าไคิดเป็นอัอปมงคลนะมันเป็นการเตือนให้เราไม่ประมาทพอถ้าเราเราลึกแบบนี้แล้วแล้วเราขนขวายในการที่จะทําความดีให้กับเขานะไม่รีรอไม่ผัดผ่อนนะมันก็จะไม่มีอะไรติดค้างใจแล้วเราก็จะสึกภาพปูุมใจว่านะชีวิตที่ผ่านมาเราได้ทําความดีกับคนที่เรารักนะเพราะฉะนั้นในเรื่องเทวทูต น, นี้ก็ขอให้เราสดับนะ พิจารณาตั้งใจเรียนรูนะ้จากเข้าอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเห็นเมื่อไรก็เอามาเป็นเครื่องเตือนใจให้เกิดสตนะิเพื่อจะได้ทำความดีนะในทุกโอกาสเท่าที่มีเวลาเอาคำนี้ก็พูดกันเท่านนี้นะกราบพระ